เอาคุณดําเกิ ง, งเล่าการปฏิบัติให้ลูกหลานฟังบ้างครับสวัสดีครับ เ, เพื่อนเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ลูกๆหลานๆทั้งหลายนะครับคือผมมาปฏิบัติกับหลวงพ่อเนี่ยมันก็หลายปีมาแล้วแต่ว่าไอ ก, การปฏิบัติของผมเนี่ยมันมันไม่ค่อยจะ เหมือนกับที่ส่วนมากที่ท่านทำกันอยู่เพราะว่าผมไม่ได้ใช้วิธีตามรู้จิตเป็นส่วนมากอะทําอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ไม่ใช่ทําอันนี้เป็นหลักคือปกติแล้วเนี่ยผมจะใช้วิธี เ, เข้าฌานไปแล้วก็เข้าไปตามดูไอ้สภาวะขององค์ฌานที่มัน กำลังเกิดอยู่ในแต่ละฌานแต่ละฌานเนี่ยว่าอย่างสมมติว่าเข้าไปในฌานที่หนึ่งเนี่ยมันยังมีไอความคิดอยู่วิตกวิจารณ์มันมีอยู่ก็ไปดูวิตกวิจารณ์ตอนแรกเนี่ยก็จะทําทําอนนาปานสตินะครับวิตกวิจารณ์ของอนนาปานสติก็คือเข้าไปรู้การที่เข้าไปรู้ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกเนี่ยเป็นเป็นวิตกวิจารณ์ของมันพอดูๆไปเนี่ย ถ้าตุเผชาญมันเกิดเนี่ยเขาจะไปรู้รวมหายใจอันเนียที่เขาออกโดยโดยที่ไม่ต้องมีการเพง่งไม่ต้องมีการพยายามใดๆทั้งสิ้นสภาวะรู้นั้นมีอยู่แต่ไม่เพง่งพอพ อ, อ, อทิ้งจากวิตกวิจารเนี่ยถ้าทำไปเรื่อยๆมันจะทิ้งของมันเองแล้วมันก็จะเข้าไปสู่ชาญที่สองโดยที่ ทิ้งการรู้ลมไปแต่กว่ามันไปรู้ปิติซึ่งเกิดเนื่องด้วยลมอันนั้นอ่ะพอเข้ามาถึงฌานเนี่ยตัวผู้ดูผู้รู้เนี่ยก็จะถอยออกมาคือมันเหมือนกับมันแยกออกมาแยกมามาเป็นผู้ดูมาเป็นกรรมการแบบที่หลวงพ่อท่านพูดมาเช้าเนี่ยฮะว่าให้เป็นกรรมการเป็นกรรมการดูมวยอย่างเข้าไปเป็นนักมวย พอเข้ามาอยู่ชานที่สองเนี่ยก็ตัวผู้รู้เนี่ยตัวกรรมการเนี่ยจะออกมาเด่นชัดแล้วก็จะไปดูไอ้สภาวะของปิติที่มันกำลังดับไปเสื่อมไปนให้เห็นถ้าเผืดอว่าตัวผู้รู้นี่ชัดนะฮะแล้วก็จิตเราตั้งมั่นจริงๆเนี่ยสภาวะสภาวะเสื่อมไปสิ้นไปขององค์ชา น, น, นั้นนะ่ะก็จะปรากฏให้เห็นแก่เราเอง ที่จริงสภาวะนั้นเขามีอยู่แต่ว่าตัวผู้ดูเราไม่มีคุณภาพพอเราก็ไม่เห็นถ้าเผื่อเมื่อไหร่ที่ตัวผู้ดูมีคุณภาพพอเราจะไปเห็นสภาวะการเสื่อมไปดับไปของบิติที่นี้เมื่อเข้าชานลึกต่อเข้าไปอีกเราก็จะเห็นการเสื่อมไปของบิติเนี่ยแล้วก็จะไปเห็นสุขที่ยังไม่เกิดนั่นก็เกิดขึ้นมาหลังจากที่บิติค่อยๆเสื่อมไปแล้ว พอเข้าไปถึงอันนี้ก็คือเข้ามาถึงชานที่สามก็เข้าไปดูในสภาวะอันนั้นอีกคือไม่ต้องถอยออกไปดูนอกชานะดูเข้าไปในชานนั้นเลยฮนะแล้วภาในชานที่สามนี่ก็จะเห็นสภาวะสุขกับสภาวะทุกขามสุขเนี่ยเสื่อมเสื่อมสิ้นไปสลับไปสลับไปให้ดูอยู่เรื่อยๆนะฮะอันนี้นะฮะถ้าเผื่อว่าบางท่านที่ท่านฝึกสมาธิมาเข้ามาถึงจุดเนี่ยท่านอาจจะเข้าใจได้แต่ว่า ถ้าเผื่อท่านยังฝึกมาไม่ถึงจุดนี้มันก็จะยากหน่อยฮะที่ท่านจะเข้าใจทีนี้พอดูดูไปในฌานที่สามเนี่ยนะฮะลมนั้นจะละเอียดมากเราจะกลับมาดูลมก็ได้หรือเราจะกลับไปดูเวทนาที่มันเกิดกับลม น, นก็ได้เวทนาที่เกิดกับลมในขณะนั้นก็คือตัวสุขในขณะที่ลมกำลังเคลื่อนไปแล้วก็อทุกขมาสุขในขณะที่ลมนั้นหยุดอยู่มันจะ หยุดกระเคลื่อนหยุดกระเคลื่อนสลับกันอยู่อย่างนั้นในชั้นที่สามแต่ว่ามันเป็นลมเส้นละเอียดมากสภาวะสุขนั้นก็มันก็ละเอียดประณีตนะฮะที่บางท่านที่จิตผู้ดูไม่ตั้งมั่นพอเนี่ยจะเข้าไปติดอันนี้ฮะที่เรียกว่าติดฌานเพราะว่าตัวผู้ดูมันเข้าไปรวมกับอารมณ์มันเข้าไปรวมกับไอตัวสุขนั่นะมันเข้าไปสเสวยสุขซะเองโดยที่ไม่เป็นผู้ดูผู้ดูผู้ดูไม่มี มีแต่ผูดเสวยแล้วก็ไม่รู้ว่ากําลังเสวยสุขนั้นอยู่อันนี้ก็คือการที่เรียกว่าเข้าไปติดสุขในฌานถ้าจิตท่านตั้งมั่นจริงๆแล้วเนี่ยท่านจะไม่ติดตรงนี้ก็จะผ่านไปได้จนกระทั่งถ้าเผื่อจากฌานนี้ฌานที่สานี่นเข้าไปอีกก็จะไปถึงฌานที่สี่ซึ่งเป็นสภาวะที่สุขนั้นดับไปสุขนั้นดับไปก็จะมีเหลืออยู่แต่สภาวะอทุคขมาสุ ข, ขเวทนาซึ่งเป็นตัวเดียวเป็นสภาวะที่ ที่เฉยๆจะทุกข์ก็ไม่ทุกข์จะสุขก็ไม่สุขเป็นสภาวะเฉยๆทั้งหมดที่พูดมาเนี่เป็นเวทนาที่เกิดทางกายนะฮะทีนี้พอมาถึงจุดจุดเนี่ยถ้าเผื่อว่าท่านยังไม่เห็นสภาวะที่ดับไปของอทุกขมิสุขเนี่ยท่านจะเข้าไปพักผ่อนก็ได้ก็ได้เข้เป็นสมาธิที่เข้าไปพักผ่อนเฉยๆตรงนี้แล้วถ้าเผื่อว่าจะเดินวิปัสสนาจะดู สภาวะเสื่อมไปของสุขกัอุทุมมาสุขท่านอาจจะถอยมาชั้นที่สามก็จะเห็นแต่ว่าถ้าเผื่อว่าตัวผู้ดูนั้นละเอียดพอก็จะไปเห็นสภาวะที่เสื่อมสิ้นไปของอุทุมมาสุขในชั้นที่สี่นั้นได้อีกนะฮะแต่มันจะต้องตัวสภาวะผู้ดูนี่จะต้องจะต้องนิ่งพอถ้าไม่งั้นท่านจะไม่เห็นอะไรจะเห็นแต่ว่าสภาวะนิ่งๆเฉยๆถ้าเผื่อว่า จิตนั้นตั้งมั่นพอเนี่ยจะเห็นสภาวะอทุกขมะสุขเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันจะไม่สภาวะที่นิ่งๆเฉยๆยจะเห็นเสมือนกับว่ามันไม่นิ่งอ่ะมันมีการเคลื่อนที่อยู่ในนั้นนะฮะอันนี้จะต้องคือว่าจิตจะต้องจะต้องนิ่งมากเลยเพราะฉะนั้นการเดินวิปัสสนาเนี่ยมันมันมีหลายวิธีนะครับแต่ว่าอย่างวิธีที่ที่ท่านส่วนมาก ใจวิธีตามรู้จิตที่หลงไป จ, จิตที่โกรธจิตที่โลภอะไรเนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะให้จิตนั้นตั้งมั่นขึ้นมาได้ชั่วขณะเรียกว่าเรียกว่าเดินวิปัสสนาก่อนแล้วก็สมาธิจะเกิดกับสมถาะาจะตามหลังมาแต่อย่างวิธีที่ผมทำอยู่นี่เป็นวิธีที่ว่าเดินไปพร้อมๆกันก็คือ ทำทั้งสมถะหรือวิปัสนาควบกันไปในขณะเดียวกันเลยหรือว่าบางท่านถ้าเผื่อว่าท่านท่านดูสภาวะในฌานไม่ได้เนี่ยท่านเข้าฌานไปก่อนเพื่อให้จิตมันตั้งมั่นน่ะท่านอาจจะต้องออกมานอกถอยออกมานอกฌานแล้วก็มาดูหลังจะออกฌานมาแล้วอันนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ว่าอย่างตัวผมเองเนี่ยใช้วิธีดูดูเข้าไปในขณะที่อยู่ในฌานเลยแล้วก็อืม คือมันมันมันอยู่ในชานะมันก็ว่าที่จริงมันก็มันก็สบายดีฮะมันเป็นสุขดีว่าแต่ว่าในขณะที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยเราไม่ไปติดตัวสุขตัวนั้นสุขตัวนั้นมันเหมือนก็ว่ามันมันห้ามไม่ได้มันจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันคล้ายๆก็ว่ามันเหมือนเป็นของแถมอะไรแบบนั้นนะฮะก็รู้สึกว่าก็เนี่ยฮะก็ได้เราวิธีของ การปฏิบัติของผมก็คิดว่าคงจะมีเท่านี้นะครับ